ทำบุญทำบุญไหวมบุญพระทำบุญไหว้ก็ปกติก็สแล้วก็เรื่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ได้ทำบุญใหญ่อไรก็เจอทำทานทานใช่ค่ะเราเม่จัทำบุญทำบุญไ็ต้องไปวัดอะไรส่วนมากคนเราพิจว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญเราเอาของไปสวาย้พระก็ว่าทำบุญของทาน ลงทำอะไรก็ได้ค่ะที่ใจเป็นสุขเราจได้บุญบุญอยู่ที่ใจอยให้ใจมีความสุข ก, ก็ดูลมเข้าออกนั่นอาหารใจ <c oughs> พระมีกระบอกขององไปถวายของถวายไปว่าพระจะเกิดชีโลกตามจับพระทีโรกอยูปเป่เดี๋ยวนี้ยังจับไม่ได้ก็มีบอกว่าพระชโลกพระสอนให้โยมทําทานไม่สอนให้ทาบุญถ้าสอนให้ทําบุญจะ ม, มีปัญหาวันนี้ปัญหาก็ พระสอนนายกทำทานทานไปทานมาพระก็เฉลี่ยมากก็ยมตลอดท่ า, า, ทานาตแต่ละวัดแต่ละวัดได้จอาวาดนี้จอาวาดมีปัญหาเรื่องง่นตรงนี้ยุ่งกันแย่งกั น, ก น, กนเจา <c oughs> ้าอาวาดก็พระพระไม่ทำบุญนะพระทำบุญก็ไปแย่งกันทำไมก็เรื่องของโลกมุ่งที่จะลงไม้ใจเข้า แค่ดูจดจำพูดที่เจ้าแพร่จุดประจําของเสียแชร์จุดประจําแต่เราทําบุญหรือเปล่าภาชนะทองรองรับเมตตาจ า, ากพระเจ้าประสงฆ์จากสิ่งกดิ์คือเราทําบุญมันไม่ได้ซื้ออาหารใจบุญไม่ได้ซื้อดูลงเข้าลงบอกบุญไม่มีซื้อขายบาปไม่มีการซื้อขายบาปดุจใจบุญดุจใจไม่ใช่อยู่ที่กายคนเราจุ้งแต่เรื่อง ก, กาย แต่ใจไม่ยุ่งตัวพายุ่งคือใจใจมันฟุ้งมันแสงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ใจมีสีมีธรรมใจก็มีกนสุกถ้าใจมีบาตใจก็มีกอนคลุนคนกนิ่มก้นแกงตแหวนหารักโลกโดยใจนะเตะแสวนหาให้คนรักตะแหวนหาให้กนโลกเกิดขึ้นในหัวใ จ, ใจได้ตั้งแต่ก็ไม่พอคดโกงก้นจี้ข้าดี ค่ะไหม็มล ok. มันปรงุงมันปุุงขึ้น ม, น inde, มนาละนะครับปรงเรื่องธรรมะครับปรุงเรื่องบุญบุญกับปุุงไปเรื่องทีดีปรุงให้สงบปุงให้มีความสุขมุงให้มีเมตตาปุงไม่ให้รับไม่ให้โลภไม่ให้โกธไม่ให้อิจฉาทิสยาไั่จะบาดอาไม่ให้าไปต้นไปที่ไ่าไปีเดี๋ยวนี้มีแต่ตนที่ฆ่าตีกันโอ้แล้วมีจ้างฆ่าภรรยาภรรยาจ้างฆ่าสามี เพราะความอะไรเพราะความหึหวงมันมาจากความรักความหึงหวงอ่านง่ายๆหรอความรักมันเป็นบาปตั้งด้วยก็เป็นบาปเกิดสมโลกถ้าไม่จากมีความรักไม่จากมีสมโลกให้ดูลมรูลมเกิดเป็นบุญเป็นบุญมีสมาธิมีปัญญามีควมรอบคู่ว่าบาปเป็นไงบุญเป็นังไงก็คือตัวปัญญาแสงถว่างตั้งด้วยปัญญาไม่มีถ้ามีปัญญาสองเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นิพพาน อาเนื้อของเราสองเห็นแต่โรคเห็นอะไรล่ะร่ำรวยเกยงานเขาร่ำรวยขันจากคนรวยขันจากเก๋งานแข่งกันอย่างนั้นทุกทีกับนรกถ้าเอาธรรมะมาแปลนะถ้าเอาโรกมาแปลนะเรื่องของโรกมันยุ่งคนเราชอบจุงนะพระเจ้าสอนมให้ยุ่งทำไมทาเรื่องไหนทำไมให้ไม่ให้ยุ่งก็คือลมยุ่งตรงไหนดูลมร่ำรวยตรงไหน ไปงานไปไหนไม่มีมิตรลมสบายาใจอยู่ที่ลมบุญอยู่ที่ลมเห็นลมเห็ใจถ้าลมไม่มีใจนีแล้วทําไมไม่ดูละ่ะกพระไม่ไคยูดพระไม่ไปบอกโยมทําบุญนี่ก็บอกของมาสลายพระบอกว่าโยมมาทําบุญโยมมาทําบุญนะเห็นไหมถ้าทําบุญก็ทํานั่งสมาธิเจ ก็ถวายไปเราไปนั่งคนจนไม่นั่งที่ไหนก็นั่งได้นั่งหรือลงข้อลงหอก น, นั่นเรียกว่าไปทําบุญถ้าเอาของไปถวายบ้านพระไปทําบาปต้องให้เห็น บ, บุญจะก่อนจะรู้ บ, บา่าเป็นยังไงนะนี่เราไม่เคยทำบุญพระเจ้าจให้ทำเถอะเะได้รู้ผู้ลงข้อพระเจ้าพระสงฆ์สิ่งศกิสิทธิ์แผ่เมตตามานะจะได้รักถ้าเราไปไหนก็ไม่รู้บอกให้ทําบุญบ้านหนึ่งหนึ่งนาทีก็ไม่ทํา ถ้เาเกิดมาเราดูทาบุญกี่ครั้งคิดดูไม่ใช่เาคำพูดว่าเอาของสบายพระประวัติไปทำบุญนะไอ้ดูที่นั่งเรานั่งกี่ครั้งคิดดูเรียกว่าทานสินสมาธิทานสินภาวนาทานสิ น, น, น, สนบุญเอาตัวนี้ตัวคนแปลยากตัวคําว่าบุญทานสินบุญนั่นะถ้าเราทําบุญแล้วก็มีสมาธิก็มีบรรดามีความรอบโลกดีตัวถูกทุก มนุดี่เตน้ามุกเหมตนเลขาธิานมขสารนะนะนะผู้น้องคอมาบ้านมาค่อบก็เป็นสิริก็เป็นองคลคแต่บนผลให้เาที่จะากรที่ปกป้องปกปักษาสนาที่ถึง้หลายจต้องมารวมกั็นองปกป้องปกปักษ์ศาสาองคตุนเลาธิการมุขสารตุากรมุนเจกรนจ้ากรใจใจมาจากทุกสตไปศาสนาที่ในกันนานก็ที่กันมงินคดีตนนเ็ดตุน้าเด็จตุัดต่อศาสนาตุนชักจิตจุติจารเอ อืม mm. มีคนมี1ิคนแต่มีน้องอีกอยู่ในห้องรับกระเป๋่ไม่มาได้จินๆจฟังแล้วก็สำคัญเลยยินเลยฟังเครื่องของนี่มันไม่เหมือนของขังคือ่ในหัวใจอ่ะใช่ไหมใช่จ้ะว่งเป็นทยิ่งรัขงง่าย โยมแบบนี้เรากโยมเป็นตัเองก้าวอยู่บตัวเองถ้ามาเราไปที่บนอยู่เมรกาโง่ไม่ได้อะโงเอ็นก้าค่ะที่เป็นคู่น่าที่สิบวันนั่งหรือนั่งอะไรกันนี่ี่คือสารไหมมีคนอ่านมังหวัดอะไรจังหวัังหวัดจวัดไรรเอไม่มี นานตั้ง่กี่ปีอีสออยสิสี้ยังหมดเลยอยู่กันงานเนาะก็ไ้เป็นวนะันนอค่ะแม่แม่คนที่สองแม่มนธิเสอือแม่ให้กำเนิดแม่ให้ชีวิตความเป็นอยู่ทามาหาเลี้ยงชีพมีปัญหาอะไรไหมไม่มีมมสบายรัาลื่น ให้ทำบุญบริวอรวมอย่างนีน้นี่จะไปวัดทำบุญทำบุญเอาของไปถวายพระไม่ใช่ทำบุญไปทำทานทานเป็นได้บุญทานไม่เป็นได้บาปถ้าแปลงง่ายๆทุกวันนี่ไปวัดทำบาปผลของไปพระยุ่งขนของไปให้พระเกิดกิเลสเป็นบาปแล้วเข้าน้ำโพชนาอาหารผลไปเทไหนก็ไม่รู้วันสำคัญสำคัญให้พระยุ่ง น่ะอาธรรมะไปแปรนะถ้าไปทําบุญต้องดูลมเข้าลมออกบุญอยู่ที่ลมบุญคือหานใจเครื่องแต่งใจเครื่องรักษาใจคือลมทําไมไม่ทํำละ่พะพระไม่บอกพระไม่เคยเห็นบุญพระบอกไปอลไรเวลาไปทําบุญโยมมาอะไรทําบุญจ้าคือทูตสุตยันถวายของถวายสังฆทานสวดน้ำโยม ไปรองูสิวัดไม่มีหรอกพระต่ฟอกทำบุญน้อยควรทำบุญอาหารใจเนาแะแกดูนะบุญญาดีเป็นโลทำให้เรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญเรากับบ้านเราด้บุญเรามาด้วยบุญก็เป็นมาเราถ้าไม่ดูเราไม่มีพวกบทศาสนาไม่มีร่ำไม่รวยไม่มีสบายอย่างนี้เป็นคนพคนพิการบ้าใบาอออาบอดงวบงวบสาบบอด <c oughs> นั่นคนบาปไปถามเขาเขาก็ไม่ไดักเป็นนะฟ้าแฝดฐานติดกันบางคนเป็นทุกคนที่การติดหลังติดเดียวให้พ่อแม่พี่น้องยุ่งยากไปไหนมาไหนไม่ได้บางคนก็เป็นว่าล่ามโซ่ล่ามอะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองกอยู่แต่ถามเขาขเขาก็ไม่อยากเป็นนะั่นเพราะฉะนั้นพวกเราจัางนี่บุญญาณิตระโลจะงนี่มาด้วยบุญได้อยู่ได้บุญไหมมาด้วยบุญอยู่ได้บุญตับบ้านเก่าได้บุญเวลาเสียชีวิตอยู่ตา บ, บ้านเก่า พระละมาด้วยบุญถือได้บาปขาดทุนแล้วนะไม่ได้ซื้อบุญอาหันใจดูลมเข้าลมบอกพระเจ้า ต, ตรัสว่ารู้พระผู้เจ้าดูบุญดูลมแต่พระก็ไม่เคยดูลดมสินี่จะบอกว่าต้องขนน้ำมถาถวายพระว่าทําบุญตรวจน้ํำก็ว่าทําบุญเวลาทําบาปไม่เห็นตรวจน้ำเวลาทําบาปก็เห็นตุ้งตุ้งเตี้ยนทำไม่ได้บาปทำไม่ทํากันตุ้สีส่ตุห้า เราไมา่ทุกเทียนจะถวายพระมันเป็นบาปจะตัดแต่เขามาเขาเป็นดอกเขาเป็นลูกนั่นจะตัดชันไปฉันจะมีลูกอยู่จะตัดชั้นไปชั้นจะมีรูปอยู่เขาบอกไม่ได้ยินไม่มีมงูทิพนี่เราไม่ไปทูลถามมีพูกเหงนินพวกทีเจ้าคุณบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่รื่ถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะในหัวใจนี่บาปไหวทุกวันเป็นไรไม่ได้เสื่อสักบาท ก็ไวัดก็ไปตามมากล้ไปนั่งดูลงเข้าลงบอกดีกว่าไปยุ่งรพระไปวนพระทาไมนั่นต่ว่าทาบุญทำไมไปอางนั้นไปไปวัดทาบาปไปหาควนพระยุ่งพระยุ่งวัดในททำไปเจอบุญกุศลจากความคุ้มรองสิ่งจักดิิททั้งหลายทั้งปวกอุปถัมภ์ใ น, นจ้ทํายเวเจที่จะาุูทุกคนตัวไหนมีเจ้าที่จ้าูมหมดจิตใจปัญญ เ, ใใเย็นว่าใเกิดคอยบุญกุศลจากผู้ที่จะมให้ เรามีบุญให้เขาแม่หลักบอกเราไม่เคยทําจะได้ยังไงให้อะไรให้เขาเรื่อตรวจน้ามจะจัดแจแจเขาแม่รับรลอกหน้าบุญคือเราทำมีความสุขพอความสุขแฝ่ให้เรามีบุญเลยส่งไปให้อะไรได้หมดันแี่นั่งดูเถอะวันหลับอนนอนหนึ่งนาทีต่อวันวันหนึ่งมีกี่นาทีคิดดูเราให้อาหารใจหนึ่งนาทีไม่ได้เราทําบุญหนึ่งนาทีไม่ได้หรือ เกินใจเกินกิ เ, เลสของเราจะได้หัวใจกิเลสไม่อยากให้ทําถ้าเราเสียชีวิตเราจะได้ไรถ้าเราไม่ทําบุญใจทุกวงประพัดตลังคิดตัางอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพกพดทธพุธสถานะอยากทําบุญนะแต่พอมีร่างกายลืมใจแล้วใช่ไหมดูที่ควรมเป็นอยู่ของเราแต่ละวันแต่ละวั น, วนเคยดูใจไหมเคยเลี้ยงใจไหมเคยให้อาหารใจไหมอาหารใจวันมึงกี่ครั้งแต่งตัววันมึงกี่ครั้ง เขียนขี้าปากท่าเล็บขนหูขนตาขนอะไรแต่งใหม่หมดทุกวันแต่ใจแต่งไม่รักสิ่งอาหารใจไม่ได้ซื้อลมเข่าลมบอกถ้าไม่มีลมใจหนี้แล้วแต่ทําไมไม่ดูล่ะถ้าได้ซื้อลมจะซื้อมากกว่าข้าวมันโจรนาอาหารนะเผอหนึ่งนาทีไม่ได้นะลมหนึ่งแต่ทําไมไม่ดูล่ะก็ไม่มีใครบอกก็พูดติเจ้าที่ไม่ศึกษาพูดติเจ้า ไปเชื่อทำไมพระเดี <see improvis> <téléphone> ๋ยวพระสอนไอ้คนยุกก็พระไม่เคยเห็นบุญแต่ว่าไงไม่ใช่รู้ว่าติพระนะตั้งนิพระนะได้เห็นผลเป็นยังถามโยมยกไปทําบุญสิวัดปีนี้ผมทําบุญสิบสองวัดสิบวัดสี่สิบวัดสถาบันะฐิมสิบวัดพระบอกว่าไงไปทุ่งจุกยนสถายันกฐิมตรวดน้าโยมนี่เราทำบุญเมื่อเวลาพระไม่บอกเราก็ไม่รู้นั่น ก็จะนั้นถ้าพระทุ่งลูกสอนญาติโยมให้ทำบุญโยมก็จะไม่โง่เหมือนทุกวันนี้ไม่มีป่นไม่มีขี้ไม่มีฆ่าไม่มีตีไม่นี้กินเหล้ากินยาฆ่ากันตีกันปานาสินข้อห้าข้อหนึ่งนั่นแต่ข้อที่แรกก็รักษาไม่ได้ดอกปานาไม่ใช่ป้ายหรอกมีแต่คนแต่ฆ่ากันทุกวันทุกวันมีกี้แต่ฆ่ากันหอดถ้ามีสินทำจะไปกล้าทำไมตัวเขาตัวเรา ใครผลักชีวิตของเขาของเราถ้ามีปัญญาจะ่ขาดเพียงเดียวที่เราไม่มีปัญญาไม่มีคนรอบรู้ว่าผิดถูกบาปบุญบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงนะรู้จักบาปไหมร่ำรวยสวยงามนี่ก็บาปบุญคืออะไรลงขายใจเข้าออกทำละเอียดนะจึงจะรู้นะถ้าไม่ละเอียดไม่รู้คําของพระเจ้าที่จะตรู้ยากที่สามัญชนค น, คนธรรมดาจะทําได้เข้าใจไหม ทำไมพระไม่เดินเที่อะไรไม่รู้หรืปไม่รู้นะทําให้ได้ไม่ไม่มีใครสอนส่วนตัวแท้กับไปวัดทําบุญผลของไปถวายพระก็ว่าทําบุญนั่นไปเอาเป็นประชินีพูดไปพูดไปเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าบุญกับบาปมันเป็นยังไงทําบุญกับทาทานมันเป็นยังไงมันไม่รู้จุดนี้อยากให้เข้าใจที่แรกก็จะกลัวจะไปแล้วลูกหลานมาเดินหน้าจุดต้นนกระโดดลูกหลานมาตรฐานปุโรหิตมาบัตรมาช่อง โดยเฉพาะขางสำคัญที่ถูกค <Rebel> ืนนี่แหละของศักดิ์สิทธิ์คือล ม, ลมหายใจเข้าออกแล้วถึงอะไรถึงตรงนี้มดบุญยอมคุ้มครองคู่ทำบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากใหจุดนี้เสุดผลที่เราได้ทาแบบนี้เป็นสุดผลอี่เราได้ปฏิบัติมาคุณจะควรจะเจ้ากับพระประสงค์ขอร่วมกันทรงปกป้องปกป้องประกาบอื่นแต่สุดผลจะมีแต่คลสุดลจะเป็นสดสใจ กำงานถึงใดกานเงินถึงใดกาตัฒนาถึงนึง่งอนไรจงสาเร็จจงสาเร็จจงรับความพัฒนาจงประการณ์ <c oughs>